สวดมนสำหรับเพื่อเราสามคนเข้าใจก่อนว่าทาไมเราสวดเช้าชดีน I would like to introduce about the how we chant together every day twice a morning chanting and evening chanting but the style of chanting different. Every temple they do that every day twice Thai, but our Thai we translate to Thai from Bali to Thai. But at the same time, my temple also we have the English, also translate to the English. But we have mm -hmm. it i the in the computer, but we cannot print for you on Thai. What the meaning of the chanting? If we don't translate to our language, that's useless. Such chanting may be uh, the symbol of magical power, magical energy. That is not our purpose. Our purpose that uh, we need to learn what they say. Also, chanting we collect from the Buddha teaching. แต่สัมพันธ์สั e chanting uh, c ollect by con, uh, commentary teacher ไม่ใช่ e x c e t the Buddha teaching in Thai chanting บุริสมงคลเด็ดชันนั่นสิ่ n อะไร they collect from commentary teacher or uh, o w d teacher or monk in the former time is not the teaching of the Buddha That the other purpose, we collect, the, especially the forest tradition of meditation, i n s i d e meditation tradition. We collect Buddha teaching become chanting for what for learning what the Buddha s a y s what the Buddha give us the teaching. We collect such a teaching to be chanting again. t h a t make sense for us. We chant, but we learn the teaching of the Buddha at the same time. นั Bali language, Thai language. Yeah. Chant today, ่นค er, ือจุดประส f ค์ a n d ก็วิเคราะห์จากมี่ามีปัญชานต่ที่ที่ปัญชา when they standing he know himself he standing น i n o v a น i าน n ่สโนมาฮีติปะ a าณ the practitioner of meditation practitioner sitting any the posture they know himself and sitting sriyanova, s สยานโนมาฮีติปะชา a ติ the practitioner when they lying down they know by himself yeah lying down that The teaching of the Buddha we bring to chant. That's it. For example, so you don't d o n doubt about that. The skeptic about why t h e y chanting that in a lot. No, we chanting the teaching of the Buddha for the main point. Okay, lovers. So try to understand. ด mm ังนั้นการที่เรารวบรวมคำสอนบุริเจ้ามาสวดเป็นประโยชน์มากทำให้เราลึกๆถึงว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราสวดแต่เช้านี่เอง อันนั้นคือในสำนักปฏิบัติที่เป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันเราจะทําแบบนี้แต่ว่าในสำนักกรรมฐานอื่นหลวงพ่อไม่เขาได้ร่วมว่าเขาสวดแบบนี้หรือเปล่าแต่ในวิธีการของหลวงพ่อเทียนจะมาเป็นเป็นพระรูปแรกที่ได้นําเอาสิริประธานสี่มาสนสวดซึ่งก่อนหน้านั้นเราใช้ธรรมเนียมของส่วนโมกคือใช้อ่าสวดมนต์บทพิเศษเช่นบทที่ว่า พาราฮาเวบอกที่ว่าอาติตังนานวาคมายะนปติกังเขอนาคตังว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็คือล่วงไปแล้วนะ ตถาตถาวิปัสสติอสังเีรังอสังกูปังตังวิทามนุภูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนแงนคอนแครนเขาคนพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้เห็นไหมคำสวดกับคำสอนม า, นาด้วยกันว่าอธิตังนันว่าข้ามยานาปฏิการแค่นะกัตตบุคลไม่ควรละลึกถึงวันชุดนอติีไม้ The past. Don't worry about the future because the past and future, the past gone away, never come back. The future not yet come, never come to the present moment. Don't worry about that. But the practitioner should uh, know everything clear that there they are in the present moment, and try to accumulate s u c h a experience again and again. ตถะตถะวิปัสสติอาศังเหรังอาศังกุปังตังวิทามนุกูหะเยใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันนี้ไม่รู้ความตายที่จะมาถึงวันทุนี้เพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากไม่มีสำหรับเรา Nobody โนบิริโนวีวินได้ทเดอทูมอโลวีวินได้อดเดอทูมอโล because they have bad condition can a uh, the cause of our dying, our death every time. So we need to spend more time to accumulate the b u d a t a h i n n or mindfulness every minute. When the die come, the day come, s comes in. We ready to die. We n e e d y to to, to sick. We ready to pass away. We don't worry about it because we ready to be dead all the time. t h e real meaning of that, you see, is a wonderful meaning. So we chanting it every day. We really see deeply and deeply, really appreciate it. t h a t why we are chanting every day, for e peace about the teaching of again and again, for be a right uh, the way o f t o e practice, for remember, make our memory really strong when we practice like it. Instead, you, you are uh, distressed by thoughtfulness. by daydream but to try to remind such a teaching of the Buddha i s this rather than t h i n g something outside the chant why we chanting นั่นดังนั้นอันนันพอพูดถึงความหมายว่า why we are chanting the evening and the morning chanting our tradition okay. สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงว่าที่เราแต่ขอทบทวนเมื่อวานนี้นีดหนึ่งว่าเมื่อวาน ที่ให้เราเก็บอารมณ์วันแรกลองทดสอบดูแต่หลวงพ่อออกข้อสอบสัข้อไปอย่างน้อยว่าในช่วที่เราปฏิบัติการปฏิบัติวิปัสสนานั้นไม่ได้หมายว่าทําความสงบไม่ใช่แต่ทําให้เกิดปัญญามีนักปฏิบัติคนหนึ่งที่หลวงพ่อพูดถึงเมื ee, ่อวานนี่ว่าหลวงพ่อมาลุกคนผมโดนนี่ผมกาลังปฏิบัติอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่เขาไม่รู้โปรเซสคำเรา <c oughs> นั่นแหละคุณกําลังปฏิบัติปัญญาหลวงพ่อต้องถามคุณว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทํำไหม ถ้าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทําคุณอย่าทําให้เสียเวลาเหนื่อยเปล่าแต่คุณต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณทำหลวงพ่อจึงมาถามคุณก็เลยให้คาตอบเขาไปนี้เขาก็โอเคนะฮะหลวงพ่อจะไม่ปล่อยให้คุณทํามันเสียเวลาเวลาของคุณมีค่าหลวงพ่อของมีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวพ่อต้องเช็กว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทํำไหมหลวงพ่อก็ให้เหตุผลเข้าไปอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อวานหลวงพ่อถามว่าสีที่เราเห็นทั้งหมดเฉพาะหน้า มันมีเป็นแสนชื่อล้านชื่อถ้าเราไม่รวมสิ่งเหล่านั้นเป็นหนึ่งเนี่ยจิตของเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรจริตของเราต้องสับฟัดจิของเราต้องอวิ่งไปตามลันไปตามไอสิ่งที่เราเห็นอันนั้นไม่ใช่วิธีของการเห็นแบบวิปัสนาหรือการเห็นแบบกรรมฐานเพราะฉะนั้นรวมสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเราจึงเรียกว่าอะไรรู้ Or i y p i c t u r Yesterday, I give you the question for the answer, and try to ask all of you check your understanding. We see every picture when we open eye. Many, we thousand picture appear immediately. But how we can call all of things become one? All things become one. How can we call such a thing? I ask a question. I need to listen to your answer. That's t We call form. Only that one p h r a s e and one syllable form. But at the time, like we call loop. Okay, understand, Yeah, I give you a answer today, the real answer. And second question, I ask you. When you see everything the, the front of you is every picture, all s o r e picture, the object. Who is the subject? Who is seer? Who is the observer? Who is the knowing? Who is knower? The question. The answer is someone. Give me the answer. Mind, heart, conscience. i s in a c u r r y We call form and formless. Formless is mean noun. i Thai l n g u a g e noun we formless, yeah. correct? We can call conscious of mind, but it's not correct. Form and formless come together. Rupam, rupi, form, noun, formless, easy. So second answer is formless. Okay, two place. But the third question. You you are you have two thing in the your life, form and formless, body and mind, okay? Substances and conscious. But in the scientific system, we call molecule and energy, okay? Molecule and energy, correct? t a t molecule or substance or we call entity. พูดถึงว่า ส, สารและพลังงานในระบบอีทศาสตร์แล้วมันมีสองตัวคือ ส, สารและพลังงานแต่เรามาเรียกในภาษาศาสนาว่ารูปและนาม ส, สารคือรูปเอเนจีคือนามแมนเชอร์เอเนจี why you don't let me know about that <laughs> okay thank thank you thank you for you remind me o k ศ y ส, สารและพลังงานแต่เอาภาษาภาษากรรมฐานว่ารูปกับนาม okay matter and energy in the science ันซิสต์อาจจะใช้ภ a ษแล้วก็คำตอบร็ who know about that because mind or ใจแม้แต่ใจเนี่ยเราก็ใช้คาว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างแล้วอะไรล่ะที่เราใช้แต่แนวโน้มที่จะใช้คือวิญญาณคือ conscious เราเลยไปพูดภาษ t ตะวันตกเนี่ยเราแปลว่า you may what you may feel today จะไม่สนับไม่เซน but what you are conscious today okay it makes sense how you conscious your body but conscious in the in the east tradition is wrong meaning is a distort t h e t distort meaning because they mean the soul the y supreme the อีเดบ a n But the real meaning of the b u d d h i s concept is i e is a really feeling, really knowing in the conscious the real meaning, really conscious, really feeling, really uh, aware, really aw uh, awake feeling that's consciousness เคยี่ข้อนามเราสามารถรวมทั้งใจทั้งจิตทั้งใจทั้งวิญญาณเรียกว่านาม เอเนจะีเนี่ยแล้วให้เป็นผู้รู้ใครเป็นผู้ผู้รู้ตัวนี้ได้แก่นามเหมือนกันแต่เขามีชื่อเรียกอีกอันหนึ่งว่าสติเพราะฉะนั้นคอนเซนสิ ness, ตัวนั้นเราจะเรียกว่าสติก็ได้เราจะเรียกว่ามายฟูเนตก็ได้เราจะเรียกว่าอเวเนตก็ได้เราจะเรียกว่าเซลล์อเวเนตก็ได้เราจะเรียกอเวกมายอเวกินมาก็ได้ แต่ว่าลำดับในความเข้มข้นมันก็ต่างกันอย่างนินดหน่อยเพราะฉะนั้นปัญหาข้อที่สามใครเป็นผู้รู้รูปและนำบางคลบอกว่าเราเป็นผู้รู้ในทีน่นี้คุณเคใครเป็นผู้รู้รูปและนำตอบนามรูปนามรูปไม่ใช่ รูปนามคือสิ่งที่เราเห็นได้ตาหูจมูกวิ้นกายนามรูปคือสิ่งที่เรานำเอาสิ่งที่เราเห็นมาคิดเรียกว่านามรูปแต่ผู้รู้เห็นทั้งรูปนามและนามรูปคือใครคือัญญวิปัสสนาญาณหรือปัญญาแราเรียกปัญญาก็ได้แต่ถ้าปัญญามันกว้างไม่รู้ปัญญาทางไหนกันแน่แต่เราควรจะใช้คําว่าปัญญาญาณหรือวิปัสสนาญาณเป็นผู้รู้ผู้เห็น อันนี้สูงขึ้นไปนะแต่เราจะใช้เพาว่าผู้รู้ก็พอไม่ต้องใช้เพาว่าปัญญาญาณหรือวิปัสนาผู้รู้มันไม่ใช่รูปไม่ใช่นามแต่มันมียอนอยู่เหนือรูปเหนือนามนิดหน่อยเหมือนกับไฟเนี่ยเปิดปั๊กเนี่ยถ้าคุณเอาหอลอดสีแดงไปปิดไว้ตรงนี้ไฟที่ออกมาก็เป็นสีอะไรสีแดงถ้าลอดสีเขียวคุณสวมเข้าไปปั๊ แสงที่ออกมาก็เป็นสีเขียวถ้าคุณสีเหลืองไปสวมปับ๊บมันก็ออกมาเป็นสีเหลืองแต่คุณเราไปตั้งสามแยกสี่แยกไฟเหลืองไปเขียวไปแดงมีเอฟเฟกต่อผู้ใช้รถ ใ, ใช้ถนนใช่ไหมแต่ทั้ทั้งนี้มันก็คือไฟธรรมดาไอ้ตัวที่เป็นไฟธรรมดานี่เองเราเรียกว่าวิญญาณหรือความรู้รักรู้อารมณ์แต่พอเราไปแยกใช้วิญญาณเลยที่ใช้ว่าสติบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมาธิ เหล่านี้มันก็แยกคือตามแสงไฟที่เราใส่เข้าไปมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อชีวิตของเราใช่ไหมทั้งที่ในดวงกลางของตู้ไฟจราจรนะ่ะมันคือไฟดวงหนึ่งธรรมดานี่เองแต่ทำไมมันสามารถเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองได้ในเวลาที่เขาต้องการเพราะซิสเต็มอิเล็กทรอนิกซิสเต็มเหมือนกันนะอันนี้คือเมนทัลซิสเต็มที่สามารถเปลี่ยนตัวรู้สิบตัวนี้ให้เป็นสติ จะทำอย่างไรเช่นช่วงเนีเ้ถามว่าที่หลวงพ่อนั่งหลวงพ่อรู้ตัวไหมพวกเรานั่งพ่อรู้นั่งรู้ตัวไหมแต่ถามว่าเอา้าคุณต้องหยิบหนังสือขึ้นอย่างมีสติคุณก็เอื้อมมือไปอย่างมีสติหลวง่อหยิบเทียน้ําอย่างมีสติตรงนี้คือความรู้สึกตัวมาทําหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ของ mindfulness mindfulness touching mindfulness pity มาคุณริ้งหิงนี่คือความรู้สึกตัวที่ว่คอนเสิร์มาทําหน้าที่ของสติเข้าใจไหมโอเคและในขณะที่หลวงพ่อยกขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อมีสมาธิไหมสติทําหน้าที่ความรู้สึกตัวทําหน้าที่ของสมาธิไหมมีไหมขณะที่หลวงพ่อยกมามีสมาธิไหม ม, ม, ใมใีในตัวสมาธินั้นในตัวสตินี้คอนเทนเอาสติเข้าไปด้วย แล้วถามว่าหลวงพ่อยกแก้วน้ําขึ้นมาโดยไม่ผิดพลาดแล้วก็ดื่มอย่างสาเร็จแล้วเก็บไปไว้อย่างงดงามและไม่ผิดพลาดเลยเป็นหน้าที่ของอะไรปัญญาไหมเป็นหน้าที่ของปัญญาดื่มดื่มมากหรือดื่มน้อยพอดีแล้วก็ดื่มแล้วเก็บไว้อย่างปลอดภัยแล้วก็เรียบร้อยไม่มีเสียงดังแล้วก็สวยงามตรงนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาแต่ทั้งหมดมาจากคอนเซ็ป แต่ทำหน้าที่สติสมาธิปัญญาในเวลาเดียวกันเข้าใจไหม Yes ขอโอกาส I I talk about the we call such energy consciousness in the body นาม or นาม we call consciousness consciousness but o l some mental function we have five f a c t o r s Mental function caused by factor. First we call rupa. Second we call form, feeling, perception, mental formation, and consciousness that we call mental function. Each time when you start to think like this and that, each mean the five function working together like a clock machine. That Movement is, uh, can make the needle, our needle, mini needle, second needle move all the time and tell us the time. Once time now, but exactly is uh, the the c e t a i movement, certain movement only that, but can make the needle tell us the time that we call h o c machine function. The same i s the mental function. แต่ิ่ขอเกิดดับเกิดดับลักษณะเกิดดับของขันห้าคืออย่างนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ในขณะที่เกิดดับมันคอนเทนด้วยไฟฟ n งช t นอัลโเทอเคเี่ดดังนั้นข้อสอบวันนี้หลวงพ่อถามเลยแล้วคุณไปเดินทั้งวันหน้าที่ของการทำงานของใจ เมื่อออกมาให้เราได้รู้ได้สี่ความหมายเราเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรจำให้ดีนะหน้าที่ของจิตคิดแต่ละครั้งออกมาให้เราได้ใช้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งโลก ท, ทั้งธรรมเราเรียกสิ่งที่ออกมานั้นว่าอะไรข้อสอบข้อหนึ่งเอาทีกลข้อดีไหม โอเคหลังจากตอนกลางวันหลังจากสอบผ่านไปตอนกงวันแล้วหลังจากทานข้ า, งงากลานก่อนที่จะเข้าช็อตที่สองคือกลางวันหลวงพ่อก็จะให้ข้อสอบข้อใหม่แต่ยังไม่บอกตอนนี้ถ้าคนไหนตอบได้ก่อนก็หมายความว่าข้อสอบจะให้ทันทีต่อไปคนไหนยังตอบไม่ได้ก็จะต้องคิดปัญหาเรื่องเก่าห้ามคลืมโอเคสิ okay. ่ง <c oughs> ที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟัง ได้กิ่นลิ้มรสสัมผัสเป็นหน้าที่ของจิตที่รู้ใช่ไหม <S <S เราเรียกภาวะที่เรารู้นั้นว่าอะไรที่มันเกิดจาก <c oughs> ตาเห็นหูได้ยินนี่นะเข้าไปปรากฏในใจใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรการทำงานของขันห้าหรือการทำงานของจิตเมื่อนำมาใช้ในสังคมโดยทั่วไปเราเรียกมันว่าอะไรข้อสอบค้อหนึ่งนะโอเคแค่นั้น ทุกอย่างในนามของมันเราจะเรียกว่าอารมณ์เรียกว่าความคิดมนุษย์จินตนาการอะไรก็ตามแต่ในนามของมันแตเราเรียกมันชื่อเดียวเราเรียกว่าอะไรเหมือนเมื่อวานนะถ้าคนที่ไม่รู้จักธรรมะจะตอบได้ไหม <S S S S S S อย่าพยายามถามเพื่อหาคำตอบเพราะอันนี้คือปนญหเดี๋ยวจะได้คําตอบด้ยวยก่อนมั้ไม่ใช่เมื่อวานยังมีคนตอบถูกเลยคือรูปง่ายๆ ถ้าคิดตับซ้อนมันจะตอบไม่ได้ถ้าคุณคุณแพทย์ถ้าคุณใช้ความคิดคุณจะตอบไม่ได้คุณต้องใช้ความรู้ใช้ความจำจะผ่าใช้ความจำก็ตอบไม่ได้แต่ใช้ความรู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวไปเลยแล้วมันจะพ อ, อก up ขึ้นมาเองในคําตอบอนั้นนี่แสดงว่ า, าต้องตอบได้ใช่ไหมเจ้ะ <laughs> ตอบในคําในภาษาของเขาแต่ภาษาของเขาและของเราออกม า, าหมายถูกก็ถือว่าตอบถูกตอบถูกเ <laughs> ช่นคุณถามฉันอ่าหลงพ่อถามว่า เกลือรสอะไรทุกคนชิมเกลือแล้วตอบภาษาเดียวกันหมดเลยแลต่ตอบในเป็นความหมายเดียวกันหมดแต่และคนภาษาไม่เป็นไรฝรั่งเศสอาจจะตอบภาษาหนึ่งอเมริกันอังกฤษตอบภาษาหนึ่งคนไทยตอบภาษาหนึ่งแต่รสเกลือก็คือรสเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกัน Yes g l a n Robert Amanda b a y more attention the question for today Okay, very really difficult to uh, explain, but b u I will try to forget. y to forget it. When we see, we hear, we smell, we taste, we touch, we think, can create the mental picture or imagination. Imagine such a picture. a p y e a r in your thinking. The kind of such a thing, what we call the name, only one name. Maybe many thousand thinking, thousand thought, but you can call such a thing only one name. What is that? Understand? Amen. d a okay. Today o e r e looking for such a word. องร ว, วันนี้ไม่มีปอแล้วเขาก็เลียอย <c oughs> เดียวแต่ไม่รู้สองพยางสองพยางเมื่อวานพยางเดี๋ยววันนี้สองพยางโอ้ดิ two p h a yesterday or one phase okay the answer only one phase one meaning today two phase one meaning contain many thousand ติงดเ i n ดังนั้นขอโทษดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัติจึงต้องเข้าใจในสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้จบในเรื่องของการเสนอปัญหา ในช่วงต่อไปหลวงพ่อจะพูดในรายละเอียดที่พวกเราได้กล่าวเมื่อว า, านคือเรื่องของรูปและนามเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเข้าใจในแง่ของกรรมฐานนั้นต้องไม่ใช้ความจำแต่ต้องเป็นเอ็กเซียนคือประสบการณ์ขขจริงถ้ามันเป็นความจำกฎกติกาของมันความจำเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงจำแล้วเดี๋ยวก็ลืม แต่ถ้าเป็นเอสเฟียนนั้นเราลืมง่ายไหม ừ ừ. ไม่ง่ายเลยถ้าถามว่ารสเกลือที่คุณชิมว่ามันเค็มคุณรู้สึกมันตั้งแต่เมื่อไหร่และจนกระทั่งบัด น, นี้มันยังเค็มเหมือนเดิมหรือไม่ทุกคนจำได้เลยไม่ต้องนึกใช่ไหมไม่ต้องนึกการที่เรารู้สิ่งนั้นโดยไม่ต้องนึกเราเรียกว่ายาน ปัญญาเราเรียก x อ็กเดังนั้นในอารมณ์รูปนามก็คือเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันสำเร็จสำเร็จกี่เปอร์เซนต์อย่างน้อยยี่สิอร์ซนถ้าคุณไหนสามารถเอากายมาอยู่กับใจได้ถึงสามสิบเซนตต่อนาทีต่อชัว่วโมง คนนั้นลูกนามโปนั้นก็จะเข้มแข็งบางคนสามารถดึงกายกับจิตมาอยู่ร่วมกันสัมผัสกันได้ต่อเวลาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตบางคนได้ไปทำได้ถึงแปดสิบเปอร์เซแต่ล้อยเปอร์เซ็ยังไม่ถึ ง, งแต่ในแรกเรา เ, าเอาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็ตไว้ก่อนทุกนาทีเรารู้สึกตัวโทษ ร, ร้อมถึงยี่สิเปอร์ซนเสมอแต่เราอนุญาตให้ความพิไดอารมณ์เข้าได้เพียงแปดสิบเปอร์เซนแต่ถ้าคนไหนสามารถอัพ ในความรู้สึกตัวเท่าร้อมได้นานถึงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปเนื้อที่ของความคิดและการปรุงแต่งก็จะน้อยลงน้อยลงเลนั้นคือเนื้อที่ของสติปัญญาและญาณความคิดก็จะถูกถอยออกไปถอยออกไปเราเรียกว่าอารมณ์นั้นว่ารูปนามอย่างน้อยรู้จักความรู้สึกตัวห้สิบเอร์เซ็นก็พอใจแล้วรูปห้าสิบรูน้นามห้าสิบ คือรู้กายห0สิเปอร์เซ็นตรู้ใจห0สเปอร์เซ็นมันก็ไปรเปอร์ซ็นต0นะเพราะฉะนั้นเราไม่หวังเรื่องขนาดนั้นเราหวังแค่อย่างสูงสุดในเซนชันนี้เอาแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นพอครึ่งเดียวเข้าใจัหมเข้าใจนะไม่ซับซ้อนนะผมก็จะเคลียร์ไปจุดๆไปเพื่อว่าพวกเราจะนำไปปฏิบัติได้โดยไม่สับสนว่าในขณะที่ปฏิบัติโดยการสังเกตว่าในขณะเคลื่อนไหวเนี่ย อะไรมันเคลื่อนไหวและในตัวเคลื่อนไหวของกายเนี่ยลึกลงไปมันมีอะไรอีกความรู้สึกที่เรียกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวเจ็บปวดเราเรียกความรู้สึกนี้ว่าเวทนาในฟังก์ชันที่สองของขันห้ารูปเวทนาใช่หมในสิ่งที่เราลึกลงไป เห็นชั้นที่หนึ่งคือเรา เ, เห็นรูปกําลังเคลื่อนไหวเห็นรูปกําลังนั่งอยู่เห็นรูปกําลังคลิกอยู่เห็นรูปกําลังยกมืออยู่นี่เราเรียกฟังก์ชันที่หนึ่งคือเห็นรูปและในฟังก์ชันที่สองในตัวรูปนี้มันมีอะไรอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงพุนสะพัดได้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่ารูปหรือนามอ่านี่คือคําถามมินิเคชั่น สำหรับที่นี่ไม่ notation ว่า in our body when you see the body working moving sitting and changing and of c e you can contact it by direct way but in a little bit deep of the body we call feeling there's so many feeling in your body now like a cool hot Soft, hard, tense, moving. You have it, okay? I lead you move your eyesight up and down, okay? I lead you move, breathe in and out. I lead your blood circulation a beating. You move your that we call the feeling, the second. but the เวท of feeling can be two function can be รูป a and nama can be form and f o r m l e at the same time ดังนั้นเวทนาจึงเป็นได้ทั้งรูปและนามในเวลาเดียวกันเวทาถ้ามันเวทนานั้นมันเกี่ยวข้อทางกายเราเรียกเวทนานั้นว่าเป็นรูปแต่เวทนานั้นมันเกี่ยวข้ทางจิตเช่น hmm. ความรู้สึกไม่พอใจ เป็นเวทนาัางจิตเราเรียกความรู้สึกนั้นว่านามแต่ถ้ามันออกมาเป็นพิกเชอร์เราเรียกมันว่านามบรรูปเช่นรู้สึกคิดถึงแม่รูปแม่มาปรากฏแล้วความอยากจะไปพบแม่มันเป็นได้ทั้งนามและนามบรรูปในเวลาเดียวกันดังนั้นตัวเวทนาจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างารูปกับนามเข้าด้วยกัน เวทนาจึงมีบทบาทมากดังนั้นวันนี้คุณจึงไปทําข้อที่สองคือเรื่องเวทนาคือไปสังเกตเวทนาสําหรับพรุ่งนี้รู้ทั้งหมดเลยสัญญาสังขารวิญญาณในวันเดียวแต่วันนี้เรื่องจากเวทนามีรายละเอียดสูงมากคุณทําวันนี้วันเดียวอาจจะไม่จบแต่ถ้าคุณทําอย่างถูกต้องมันอาจจะจบภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นเอง คุณนั่งคันนี้รู้สึกอะไรว่านั่งมานานเป็นชั่วโมงอ่ะรู้สึกอะไรว่าตอนนี้ที่โคนคนุณร้อนใช่ไหมนั่นแหละใช้กันคิดไหมจะถึงถึงจะรู้ไม่ต้องคิดใช่ไหมเราเรียกตรงนั้นว่าเวทนาแต่เวทนาส่วนใหญ่น9ทีน่นปเซน็นมันเป็นสุขเวทนาทุกทุกเวทนาทุกขเวทนาเห็นชัดสุขเวทนาปรากฏ ต, ตอนไหน นี้เดียวรีเซ็คกันิวเซ็ในขณะที่คุณเปลี่ยนจากท่านั่งซึ่งมันหนักมากพอเปลี่ยนไปปั๊บอะไรปรากฏความเบ า, า, บาปรากฏความบปรากฏเราเรียกว่าสุขวเวทนาแล้วเวลาคุณนั่งลงไปอีกทุกเวทนาเริ่มต้นอีกแล้วเห็นไหมชีวิตนี้คือมีทุกข์กับทุกข์เท่านั้นทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีอะไร ถ้าไม่มีทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตักคุณถาปัญหาดีมากนะแล้วหลักในการมองการดูคำแต่งคำว่าเร า, งงาต้องทำยังไงผมว่าตอนที่ผรู้สึกว่ า, วมวาผมร้อนคนเราผมก็ทํามือนะครับเราเราต้องดูยังไงครับเราก็ไปดูเรื่องของแต่ละมืงนะครับหรือ uh huh. ว่าคือผมไม่เข้าใจว่าเราเราจะไปกําหนดจะไปดูมันยังไงเคร <c oughs> <ๆ>ับเนื่องจากจิตของเรามีความถี่สูงมาก เราสามารถรู้ในเวลาเดียวกันได้ถึงหกอย่างตาคุณเห็นคุณก็รู้ว่าหลวงพ่อกำลังพูดใช่ไหมหูได้ยินในที่ที่หลวงพ่อพูดคุณก็เข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้ฟังชั่นทางจามูกเล็กรถยังไม่มีคุณไม่ต้องไปนึกถึงคือกลิ่นไม่มีรถไม่ ม, มีมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ปรากฏขนาดนี้แต่ความสัมัสเย็นแล้วนนแข็งมีอยู่ไหขณะ น, นี้ทางกายมี คุณรู้ไหมว่าคุณรู้สึกแค่คู่คู่นะคนแล้วก็รู้สึกหูรูดร้อนนี่รู้ใช่ไหมในขณะเดียวตาคุณก็เห็นคุณก็รู้เรื่องหูได้ยินด้วยและกายคุณส้นปรสาทอะไรคุณก็รู้เรื่องจิตคุณขณะนี้คุณคิดคําถามคุณมาคุณก็รู้ด้วยคุณอย่าถามอะไรใช่ไหมนั่นแหะจิตมันทําหน้าที่ในเวลาเดียวกันเอวิสเซเกนจิตทําหน้าที่ได้หลายอย่าง เพราะยั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณยกมือตรงนี้แล้วคุณจะไปรู้ตรงที่คนมันหนักได้ไหมคุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะมันแค่แค่สองฟังก์ชันแค่นั้นเองแต่ในขณะเดียวจิตมันสามารถรู้ได้ถึงหกฟังก์ชันในเวลาเดียวกันแต่สองฟังก์ชันนี้สบายมากเพราะฉะนั้นคุณนั่งสร้างจังหวะโดยรู้สึกตัวไปด้วยคุณทําได้เพราะความจิตของความถี่ของจิตสูงมากเข้าใจไหมโอเคจะไปให้เขาฟังมาวินวีเดเดควอชันมี u e s t i o n me, why uh, I move hand i d t i s How can I know o t t e r pass the body? But o h m y very high frequency. We can know every body function at the same time. Many many function. But in the we p i only six function. The, we need to know first. When you see when you see me, you know I am speaking. Okay, you know I understand. And at the same time, you know what I am saying. You understand it. That's the mental function, because they know by themselves. That's the frequency, mental frequency, very strong, very quick. But at the same time, when I ask you what you're feeling now, you can give me the answer immediately. No need to use the, the the brain. What you're feeling now, in, fact, in your body, you feel. Hot and cold and tense and moving and warm. Any feeling you have now. Now you have a feeling. Okay. Exactly. You make you make sure what exactly you're feeling now. Really important. You need to give me the real answer. Real feeling now. What you are feeling now? Exactly feeling. Say okay? it. Have a warm feeling, hot feeling, and cool feeling. Cool. Yeah. Okay. You need to check it very really clear. Otherwise, you cannot get the real answer from yourself. It's not my question. It's not my answer. But you can get the real feeling from yourself. That's it. The real answer. Exactly w a a m now? A little bit cool. Little bit hot. Okay. Heavy. Heavy. Yeah, many many bodily feeling you can see it now at the same time. So our mind really high frequency, we arrive the t bodily formation, mental formation, e x p e r e n now. But you can see through such a thing without thinking. We call experience. We call i n s i g h e n uh, i s wisdom. We call. You see by inside wisdom or inside the eye, or the third eye, we call so call like that. o อ a y อันนี้คือฟังก์ชันที่สองคือเวทนาเวทนาสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่าง feeling can be two function bodily feeling and mental feeling when you use as a bodily feeling we call รูปนามเวทนาเป็นรูปนามเวทนา as a นามแลรูป啊 when you feel the mental feeling like uh, you feel like or dislike happy or unhappy that the mental feeling we call nama rupa understand okay mm hmm. ดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจกันเป็นจริงเป็นชัดๆจะมาโมเมรหรือเดาไม่ได้เด้ขาดเพราะมันคือแฟกต์เพราะมันคือชุดแต่คนไม่เห็นแฟกต์ไม่เห็นชุดจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ เราต้องสัมผัสลงไปในสิ่งที่เป็นแฟรคุณจะคิดเอาไม่ได้ในเรื่องธรรมะคุณจะเดาเอาไม่ได้คุณจะอิมเมจไม่ได้แต่คุณจะคอนแทคไดเรกคอนแทคคุณจะรีไรซ์คุณจะเอ็นไลท์เช่นมันบายไดเรกเวย์นะตอนนี้เรื่องสองภาษารุ่มสับสนแล้วนะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> คนที่ไม่รู้ภาษาก็ต้องต้องต้องตฟังนิดหนึ่งดังนั้น เรื่องนี้จึงต้องทําอย่างตั้งใจไม่งั้นแล้วเราจะเห็นว่านักปฏิบัติกรรมฐานในทั่วโลกนี่ไม่ไม่น้อยเลยเป็นแสนแสนล้า น, านแต่เราจะเห็นคนสักคนพบคนสักคนที่ <c oughs> เข้าใจได้รู้เรื่องนี้อย่างแจง้งแจ้งบอกให้เราเป๊ะเป๊ะลงไปเนี่ยแต่จะพบได้ไม่กี่คน เพราะอะไรความชัดเจนในการทำความจริงใจในการทำความศรัทธาในการทำต่างกันความพยายามต่างกันสติปัญญาต่างกันมันคือออกมาอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้เราเน้นที่ศรัทธาและความเพียรเรื่องสติสมริปัญญาทุกคนมีแต่ว่าสติศรัทธาและความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องต้องขึ้นแขงจริงๆนะ ถ้าเรามีศรัทธาเพียงเล็กน้อยแล้วก็รู้เพียงเล็กน้อยถ้าเรามีศรัทธามากแต่คำว่าศรัทธาและความเพียรในที่นี้ต้องหมายถึงศรัทธาในความเพียรที่ถูกต้องเรามีศรัทธาเข้าวัดมีศรัทธาสร้างวัดมีศรัทธาในการถวายทานมีศรัทธาในการรักษาศีลมีศรัทธาในการภาวนาะถามว่าพอไหมไม่พอ รวมสราทั้งหมดท่านบอกว่าคุณมานั่งกรมรมฐานทั้งวันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยคุณจะยกมืออย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลไม่ต้องรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยแต่คุณทําข้อรู้ได้เข้าใจเนี่ยสรัทาแบบนี้มีไหมมีแต่ยากมากใช่ไหมยากมากเอ๊ะฉันนั่งฉันได้อะไรนั่งไปทําไม a lot of thinking come to disturb you come to bother you ดังนั้น so g l a everybody have their faith have their confidence but different level of the faith different level of degree of the faith but beyond all of that how we can get the right faith of right diligence จะไหความขยันมั่นเพียรคุณแพทย์ Diligence, uh, the right efforts, okay. <coughs> That's really important. In Buddhism, we need to emphasize about l i g h t R I G H T, okay. Right, can I get the correct pronunciation? Right. We emphasize. Therefore, in Mok 8, we just t a r t with t h w o Samma. Every word, such as Sammati, Samma. สังกัปปะส ม, มาวาจาระส ม, มาตามันตะส ม, มาวายามะสมาสติสัส ม, มาสมาธิไอ้คาว่าส ม, มาดอนนั้นมันหมายถึงอะไรเราไร้แต่แลรามาแปลภาษาไทยว่าเห็นชอบคิดชอบไอ้คำว่าชอบกับไร้เนี่ยมันควมมาเดียวกันหรือลึกหรือคุณละควาหมายคุณติด ใช่ไหมแต่ในภาษาอายความชอบกับถูกต้องเนี่ยมันต่างกันหรือมันเหมือนกันอ่าต่างกันใช่ไหมนี่คือความภาษาที่เป็นปปุปสรรคผมไม่ชอบคุณถ้าผมชอบคุณนะแต่ไม่ได้หแปลว่าเรื่องถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมชอบคุณเน่ะมันอาจจะใครจะชอบไม่ชอบแต่ผมชอบคุณแต่การชอบหรือไม่ชอบของเรามันอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะกกไม่มไร้เสมอไปใช่ไหมคุณแพทย์นี่คือภาษาทําให้เราสับสน ความยากของการเข้าใจคือเราไม่มีภาษาที่เป็นปรมัตถภาษาเอาที่เด็ดแรงเด็ดเราไม่มีเจะภาษาใจเราจึงยืมภาษาที่เป็นสมมุติมาใช้มันจึงสับสนนี่ไงนี่คือความล่าช้าของผู้ปฏิบัติคือไม่เข้าใจภาษาแต่ถ้าอาจารย์ผู้ฉลาดในการใช้ภาษาจะช่วยเราได้เยอะในการแยกย่อยเห็นตัวระหว่างตัวสมมติกับตัวสภาวะเราโชคดีถ้าได้พบอาจารย์อย่างนั้นซึ่งเราหาได้ยากมาก ก็อาจารย์ที่เป็นผู้นิลุลลกติปฏิสัมพิธาคือแตกแานในการภาษาใช้ทั้งภาษาการภาษาใหได้ตรงสภาวะเราหาได้น้อยมากอย่างว่าพระองค์นั้นมีปฏิฏิสัมพิธามีคุณสุบัติพิเศษมีปฏิสัมพิธาสี่มีอภิญญาหก <S <S จะใช้ภาษาได้ถูกต้องกับสภาวะนี้คือคุณสุบัติทพิพาอรารหันได้นั้นท่านไม่ได้ใช้เพื่อไปอวดคนท่านไม่ใช้ไป อ, อวดตัวว่าฉันเป็นพระอริยะฉันเด็ยวอันนั้นผิดอันนั้นไม่ถูก แต่คุณสุบัติที่ประหลาดท่านได้ท่านนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคนอันนั้นถึงจะถูกแต่ในอ า, าราพาหันบ้านเราเป็นไงโปรโมตตัวเองลูกสีโปรโมตตัวเองคนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระรยเจ้ามันเพี้ยนไปหมดในสังคมนับปฏิบัติของเราเราก็วิ่งหาพระอรหันต์ดีใช่ไหมเราก็วิ่งหาพระรยเจ้าแต่ไม่ได้วิ่งหาความจริงอันนี้และความ ห, หมายก็ชอบกับคําว่าไ right. รเห็นไหมัมนทําให้ผิดเพี้ยนไปเยอเลย ดังนั้นเองเราบอกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสมมตินะอย่างหนึ่งนะว่าความเห็นที่ถูกต้องในแง่ของวิปัสสนาคนเห็นอย่างไรกับความเห็นที่ของเราว่าถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรแม้แต่ความว่าถูกต้องมีสองภาษาถูกต้องในแง่ของสมมติภาษาถูกต้องในแง่สมมติของปรมัตถภาษาถ้าสมมติว่านี้คือพ่อแม่ของเรา แล้วเข า, าบอกผู้หญิงผู้ชายสองคนเนี่ยคือพ่อแม่ของเรามีใครปฏิเสธบ้างไหมว่านี่คือพ่อแม่ของผมครับมีใครไม่ใช่พ่อแม่ของคุณมีใครปฏิเสธบ้างไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยนี่เขาเรียกว่าสมมุติภาษาคือเป็นพ่อแม่ของเราจริงๆถ้าชี้พี่ชี้น้องทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นพี่น้องของเราจริงๆไม่ผิดตัวแต่ในแง่สมมุติภ า, าษาถูกต้องทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ในแง่ของประพภ า, าษาไม่ใช่พ่อแม่ของเราไม่ใช่เสียแล้ว ถ้าพูดโดยปรมัติฐภาษาพ่อแม่ของเราก็คืออะไรอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ถามปัญหาที่สูงขึ้นไปเพราะคำถามที้คุณตอบมาแล้วเมื่อวานพ่อแม่ของเราก็คือรู้นั่นเองแต่ว่ามันเป็นอะไรเป็นปรมัติฐภาษาแต่ถ้าสมมุติภาษาสองคนนี้คือพ่อแม่ของเราถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิด เพราะงั้นคนจริงจะมีสองอย่างเรียกว่าสมมติสัจจะและปรามาสสัจจะพ่อแม่ของเราเขาถูกต้องตามสมมติสัจจะแต่พอไ ป, ปรเราพนามสัจจะบอกว่าพ่อแม่ของเราถูกไหมไม่ถูกแล้วแต่เราเรียกปรามาสสัจจะว่าอันนี้คือ oh. รู้คุณแกลม unfortunately I cannot explain this language very really clearly ไมเลยดีไปไม่เลยเพราะ r ันพออยู่นี่หรือพออยู่อันซอหรืออยู่ใช่อยู่นี่สิน o บอยู่อะแล้วดูไมเนะคอ t แทคมีใบดูไม้ไม้ถูกไหมโอเคแล้ว a หรอ o e s have limitation you limitation about the language we talk we talk about the ultimate language now ดังนั้นคำว่าสัมมาทิฐิมันจึงเป็นปรมัตธภาษา เช่น .definition we talk about the right the definition of right understanding or right view in บ a ล i l a n g u e we call สัม t i i ิฏฐิใ definition we have two kind of definition subposition and ultimate subposition truth as สมุทแล ultimate truth ธ a ร a ะโอเควันนี้เราจะเจาะกันเรื่องนี้ เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องรูปนางแต่วันนี้แย้มไม่หน่อยเอาข้างไว้ตรงนั้นก็ได้ยกันเพราะว่าถ้าไปใกลกว่านี้พวกเราตามไม่ทันแต่อันนี้หลวงพ่อพ ก, กำลังพูดอยู่ในวงรูปและนางที่ถามเรบเมื่อวานดังนั้น <c oughs> ในขณะที่เรามีทุกขเวทนาอยู่ตรง น, นี้ถ้าเราบอกว่าเราปวดขาอันนี้เป็นสมมุติภาษาหรือปัญญภาษา <c oughs> สมมุติปภาษาว่าเราปวดขา แต่ถ้าเป็นปรมัตตภาษามันคืออะไรรูปกําลังเปลี่ยนแปลงรูปกําลังเปน็นอนิจจงทุกขังอนัตตารูปกํำกําลังแสดงอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาถ้าเราไปพูดอย่างนี้กับชาวบ้านเขารู้เรื่องไห ม, ไมเนื่องจากมันเป็นปรมัตตภาษาแต่ผมปวดขาเหลือเกินครับผมขอยาอ่าบมอ อยาอยายาแค่ปวดขาหน่อยชาวบ้านรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเพราะมันเป็นสมมติภาราจริงๆเรามีผมไหมมียาไหมมีขาไหมไม่มีมีแต่อาการกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่อาการของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเสื่อมไปคือทุกขังแล้วก็อาการปวดนี้มันจะตั้งอยู่งั้นได้ตลอดไปไหมมันต้องดับไปเรียกว่าอนาตาุตตรแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่เนือ่องจากว่าเป็นกระบวนการของอนิจจัง ทุกขังอนัตตานั่นคือปรมัตถภาสาแต่ในสมมติก็คือผมปวดขาครับไอหนูอายันนี้ไปใส่เดี๋ยวหายจบเข้าใจรู้เรื่องใช่ไหนั่นคือความยากของมิปัสนาถ้าเราไม่เข้าใจรูปนามเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนามเบื้องต้นจึงเป็นอารมณ์พื้นฐานที่สำคัญมากถึงแม้ว่าในแง่ของเบื้องสูง น้อยคนที่อาจารย์กรรมฐานจะมอนในเรื่องอารมณ์รูปนามเพราะเขารู้จักรูปนามไม่ได้เป็นไปนตารความเป็นจริงแต่เป็นรูปนามที่คิดขึ้นเป็นรูปนามที่สมมุติขึ้นเป็นที่รูปนามที่สําคัญผิดมันจึงไม่ออกไปสู่ตัวสภาวะที่แท้จริงยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งผิดเพี้ยนใช่ไหมคนก็ไปติดแค่วิปัสสนตจินตยานวิปลาสในประเทศของเรามันมีแต่เรื่องเหล่านี้ เราจะหาคนที่เข้าใจเรื่องนี้แจ้งแจ้งสักคนเป็นเรื่องอยากมากเพราะฉะนั้นเองอย่าคิดอย่านึกเอาแต่สัมผัสเอาในขณะนี้หลวงพ่อกาลังบอกให้พวกเรารู้ว่าขณะนั่งตัวนี้คุณรู้สึกอย่างไรรู้ไปชัดๆนั่งนานโดยที่ไม่เปลี่ยนรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยใช่ไหยรู้สึกปวดรู้สึกร้อนรู้สึกกระุูนกระวายอันนี้เป็นทุกขเวทนาทางไหนทางกาย แต่ถ้าเราขาดสติขาดสัมมชัญญาในการกําหนดรู้อย่างนี้อันนี้คือกายกําลังเป็นทุกขงังอันนี้อย่างนัตตาถ้าเราไม่รู้อย่างนี้มันก็เอฟเฟกต์ต่อจิตเอฟเฟกต์ต่อนามของเราใช่ไหมเราก็จะรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจหงุดหงิดลำคา น, นเมื่อไหร่ในหลวงพ่อจะจบสติฉันฟังมานานแล้วฉันอยากยออกไปเดินมันจะคิดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้น เรียกเกิดว่าเรียกว่าอ น, นิจจังทุขังนาหน้าตาผ่านจากกายทะลุถึงอะไรทะลุถึงใจแล้วใจมันถึงคิดออกมาแบบนั้นนี่คือบทบาทของสติที่เราจะต้องเข้าใจถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมัม ญ, ญัะเราไม่สามารถกั้นทุกเวทนาที่เกิดจากรูปให้ไปสู่ทะลุนามได้แต่ถ้าเรามีสติสมัม ญ, ญัสปวดแสงเต๋อผ้าปวด ไม่ใช่การปวดนี่เป็นสัตว์ไหมเป็นบุคคลไหมเป็นตัวเป็นตนไหมไม่ไมีมันคืออะไ ร, ไ ม, ะรมันคืออาการที่เกิดขึ้นตัน้งอยู่ดับไปเราเรียกมันว่านามเรียกปรมัตน์ใช่ไหมคุณมีสติรูร้เพราะฉะ น, นั้นสั้นที่สุดตอนนี้หลวงพ่อจ้าที่ทานแทะเข้ามาเห็นภาพขันเพราะว่าจิตของเราจะลงไม่ลึกตรงนั้นเป็นไป มีพระอรหันต์รูปหนึ่งที่รู้ธรรมะภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตายไปท่านรูปนั้นเรียกว่าพาหิยะธารุจิริยะพาหิยะนั้นอดีตท่านเป็นพ่อค้าค้าทางทะเลเรียกว่าพ่อค้าสัมเพา <c oughs> บางคนได้ยินมาแล้วก็ไม่เป็นไรฟังซ้ำได้อีกเพราะพระนำมาเทศบ่อยในพ่อค้าสัเพาพาหิยะธารุจิริยะมีเพื่อนพ่อค้าด้วยกันมากมายวันหนึ่ง เขาตกลงใจว่าจะไปค้าประเทศนั้นแล้วเขาก็เตรียมเรือสาเภาขนาดใหญ่เอาสินค้าลงใครมีอะไรก็เอาลงเรือไปค้าด้วยกันผมค้าของผมคุณค้าของคุณแต่ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันเมื่อเรือลำนี้แล่นไปถึงกลางทะเลปรากฏว่าในช่วงนั้นมันยังไม่มีการข่าวสารในเรื่องอุตุนิยมวิทยาไม่รู้วยาพยพายุจะมาตอนไหนปรากฏว่าทอร์นาโดขึ้นพริกเอาเรือ สินค้านั้นจมทะเลไปค น, นแต่ละคนก็หนีตาไปคนละทางพระกรูรนภยพะยยธารุจิรยิยก็ว่ายน้ําหนีเนื่องจากว่าแกอยู่ทะเลมานานแกรู้จักวิธีเอาตัวรอดจนกระทั่งว่าคลื่นใหญ่ได้ซัดแกไปคลื่นฝั่งฝั่งหนึ่งตอนนี้ในฝั่งนั้นเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่คนเลื่อมใสสตรายในดัชที่ของท่านมหาวิระคือดัชที่นุ่งลมห่มฟ้าที่กายสเวสเวะจำพรนั่นคือที่กายฉีปเปลือย ว่าคนไหนเป็นถือนิกายชีเปลืยได้คนนั้นเป็นพระราหันของเขาสามารถแก้ผ้าได้ทงทงทีนี้โดยเหตุการณ์พาไปก็คือว่าเมื่อเขาถูกคลื่นซัดขึ้นทะเลผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวไม่มีอะไรเหลือเลย mm. เขาก็เลยเป็นเปลือยไปโดยเหตุการณ์โดยอุบัติเหตคนทั้งหลายที่มาเห็นก็มีใจว่าเขาคือพระราหัน นายภายัตุริยะก็เลยต้องตกกระไดาษพอยจูนเมื่อจะบอกว่าไม่ใช่คุณเราก็อยา่าใจเพราะไม่มีอะไรจะกินเพราะฉะนั้นเมื่อเขาดูเหมือนว่าเป็นพระลานคนทั้งหลายก็นําอะไรลาบสกาละอาหารหวานข้าวต่างๆมาบูชามาถวายเขาก็อาศัยความเข้าใจของชาวบ้านแบบนั้นเป็นอยู่ชาวบ้านเข้าใจว่าเขาเป็นพระลแต่เขารู้ลึกๆ ใ, ใจว่าเขาไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นอยู่นี้ไปหลายเดือนหลายปี แต่แววแววมาว่ามีคนที่เป็นพระรหันจริงอยู่เกิดขึ้นแล้วในอตามประวัติและในอดีตชาติเขาเคยปวดมานานเพราะฉะนั้นมันก็เมื่อได้ยิน ข, ข่าวนั้นปักเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เคยมีมาหลายภพหลายชาติมันไปนคลิกกับไอสิ่งที่เขาได้ยินนั้นว่าพระรหันเกิดขึ้นและพระราหันรูปนั้นอยู่ที่พระเชษฐาวันห่างจากที่นี่เป็นระยะทางถึงสี่ร้อยไมล์โอ้โหจะไปยังไงในสมัยนั้นระยะทางสี่ร้อยไมล์เขาเลย หนีออกจากสำ น, นักในคืนต่อมาแล้วก็เริ่ ม, มาหาทางเดินหาทางไปสู่จุดนั้นหลายวันจนกระทึ่งเช้าวันหนึ่งไปทะลุถึงที่พระเจด ว, วันไปพบพระพุทธเจ้ากับพระสาวกกำลังกินธบะอยู่ก็เข้าไปถามด้วยกับปุกกระเพื่เพียแเหลืเกินเดินมาทั้งคืนทั้งวันกินบ้างไม่ได้กินบ้างเข้าเข้าไปถามว่าข้าแต่ภูมิผู้เชิญก็ลองเหตุการณ์ให้ฟังที่เหนอเป็นมาอย่างไรโดยยอ่อ แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าอยากทราบความเป็นพระรหันต์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรพเพราะข้าพเจ้าถูกสมมุติถูกแอพโพสถูกอสมมุติว่าเป็นพระรหันต์มานานแล้วแต่เรื่งเลือกแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่พระรหันต์แต่ข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าความเป็นพระรหันต์ที่แท้จริงคืออะไรผู mm ้ร hmm. ิเจ้าบอกว่าอุบาสกตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมแต่หาคดกําลังบิดทบาทขอให้เธอรอ ก, ก่อนเ mm hmm. ดินไปนิดเขาตามไปอีกข้าแต่ปรุโปรด ให้คําตอบแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้ารู้ดีแก่ใจว่าเขาเจ้าอาจจะอยู่ไม่ได้ไม่นานเขาเจ้าเหนื่อยลือเกินผู้ริจจาตรวจสอบทันทีเลยว่าสะตากรรมสะตากรรมวิบากกรรมของเจ้านายคนนี้เป็นอย่างไรหลังจากเธอรู้แน่ว่าเขาอาจจะตายไม่กี่ชั่กี่นาทีในข้างหน้านี้ผู้ริจจ่าก็แสดงธรรมดูก่อนภิกขียาคารุติยาเมื่อเธอเห็นรูปด้วยตาให้กําหนดรู้ว่าสัตว์ว่าเห็นอย่า ขยายรูปที่เห็นว่าเป็นอะไรเห็นรูปสัตว์วรูปเมื่อเธอได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้สัตวว่าได้ยินอย่าไปคิดจินตนาการไปเรื่องเหล่านั้นว่าเป็นอะไรให้ได้ยินแล้วก็จบเมื่อใดเธอรู้อารมณ์ด้วยใจสิ่งใด ก, ก็ตามคระมทุกข์ใจให้เธอได้นึกได้คิดเธอรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงสัตว์วรู้ เมื่อใดเธอทําใจได้อย่างนี้เห็นสัตว์เห็นได้ยินสัตว์ไดินรู้สัตวรุนั้นคือความเป็นพระอรหันต์อยู่หน้าตรงนั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการขึ้นไม่มีการหลงไม่มีที่ใกล้ไม่มีที่ไกลไม่มีอยากไม่มีละเอียดนั้นคือความภาวะเป็นพระอรหันต์เขาเอไลท์ทันทีเลยเอไลท์เทมเพนทันทีเลยแล้วก็ขอบวชข้าพเจ้าขอบรรพระชาในศาสนาของพระองค์ ผู้ริเจ้าก็จาบดูกคนพระย่เธอจุไปหาผ้ามาในสมัยนั้นมันไม่ได้มีผ้าไตรจีวรเต็มตู้ในวัดต่างๆเหมือนสมัยนี้สมัยนี้แต่ละวัดเนี่ยไตรจีวรเต็มตู้เต็มตู้ใครจะบวชเอามาไตรละสาวร้ห้าร้อยแปดร้อยมันกลายเป็นอาชีพของวัดไปแต่สมัยนั้นมันไม่ได้มีขนาดนี้ พิยะถือจงไปหาผ้ากาศวัฏมาในสมัยนั้นผ้ากาสศวัฏหรือผ้าที่จะมาทําจีวรได้หาได้สองแหล่งเท่านั้นคือที่ป่าช้าและที่กองอยากยื่นกองขยะทําไมที่ไปหาได้ที่ป่าช้าเพราะเป็นผ้าขาวที่เขาห่อสุกเอาไปเผาแล้วเขาเอาผ้าขาวทิ้งไว้โดยที่ไม่เผาเอาผ้านังคงไว้จับตัวมาเพราะเขารู้ว่านักบวชนักพรในสมัยนั้นเยอะอาจจะเป็นประโยชน์แกเขาเขาก็จะไม่เผาเลยเป็นที่รู้กัน แต่วันนั้นเขาหาฝ่าเช้าไม่เจอเขาก็ไปเจอกองขยะกองขยะอาิบายว่าชาวบ้านเวลายเลาย็บผ้าตัดผ้าอะไรแล้วมันผ้ามันเสศจมันเหลือก็ไปทิ้งกองขยะในขณะที่เขาไปหาผ้าเก็บผ้าที่เป็นชิ้นชิ้นดำกองอยะชาวบ้านก็ปล่อยวัวค ว, วายออกมาจากเล้าจากแหล่งไปหากินตอินเช้าทีนี้ในบ้านนั้นที่ใกล้ที่สุดมีวัวแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งวิ่งออกมาจากเล้าแล้วตามปกติวัวควายก็ออกมาจากแหลง่งแหล่งแรกที่มันไปหากินก็คือกองขยะ ไปหากินเศษใบตองใบหญ้าในไต่างที่ชาวบา้านนอวัติ้งง่ายที่สุดทีนี้ไอ้ลูกวัวตัวเนี้ยมันดันวิ่งไปใกล้กับไอ้พายยะทุนทาุจิริยะแม่มันก็นึกว่าคนนี้มันจะทำลายลูกมันมันก็วิ่งเข้าไปชนอย่างแรงพายยะทารุจิริยาตายทันทีเสร็จแล้วผู้ดีเจ้ากินจ้บัตรกลับถึงวัดอุบาสกบาสิกาก็ตามมาถวายอาหาร แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคนที่พระองค์กําลังพูดด้วยเมื่อกี้นั้นถูกวัวขีดตายเสร็จแล้วพิสูจทั้งหลายก็โจทย์ยันกันอ่ะวเมื่อกี้พระองค์บอกว่าบุคคลนีเ้เข้าถึงภาวะอาหารหันต์แล้วทําไมราอาหารหันต์ตายง่ายอย่างนี้แล้วก็ตายด้วยชะตากรรมแบบนี้เป็นเรื่องเลยทีนี้เอามาโจทย์ยันจะจริงหรือเปล่าผู้ที่ย่ำผู้ใดมั่วหรือเปล่าใช่ไหมก็โจทย์ยันกันแบบเนี้ ม่วนิ่มด้วยว่าสมัยนี้นะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ยินข่าวเรียกประชุม ท, ทัทีในกรณี้หลังจากฉันเรเรียกประชุมแล้วพระองค์แสดงคำเรื่องนี้พาหีพาหีไรสูพาหียาธารุกิริยานุเรื่องนี้เอภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้มีความเป็นมาท่านไปะยกนิทานมาเราว่าอายทารุกิริยะเนี่ย สมัยหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีเงินมากแล้วเขาก็เป็นหนุ่มเสเพลมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปฆ่าและขมขืนผู้หญิงไม่ลุอ่อนที่เขาไปเจอเพราะเขาเป็นหนุ่มเสเพลเขาทำได้ทุกอย่างฆ่าค่ม ข, ขืนแล้วฆ่าทิ้งทีนี้ก่อนที่เมลกอ่อนคนนั้นจะตายได้ เกิดความรู้สึกอาฆาตมาร้ายมาก่อนที่เขาตายว่าฉันจะจองล้างจองผานแก่ทุกพบทุกชาติทั้งแต่นั้นมาก็จองล้างจองล้างจอง่านมาเรื่อยๆเขาเกิดพบกันชาติไหนเขก็ฆ่ากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งชาติสุดท้ายนี่ผู้หญิงคนนั้นเกิดมาเป็นแม่ลูกออนวัวไม่ลูกอ่อนไพรยะธาลุจิยะเขาเกิดมาเป็นนังบุอย่างนี้แล้วก็มาฆ่ากันในชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายถึงแม้ว่า การวิบากกรรทั้งหลายจะสนองก็มันเป็นเศษกรรมที่จะต้องตอบสนองแต่ว่าจิตของเธอไม่ได้เสวยทุกขเวทนาแล้วเพราะจิตของเธอเขอ้าถึงภาวะอรหันแล้วนี่คือความเป็นมาอันฟอร์จูเนียกินแกงเ a ลีฮาร์ดอันนี้เป็นโมทาย e อเ m เอาต์เดอร์เอาต์เ a อร์ดิทเอาต์เดอร์เอาต์เดอร์เบลฟันโอเค it วินทอลวิทรีวิโอเคดโอเคอนด ช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยดังนั้นนี่คือเรื่องว่ายากไหมเนี่ยความเป็นปัญหาได้ยากไหมได้ยินักแต่ว่าได้ยินเห็นแต่ว่าเห็นคิดสแต่ว่าคิดรู้ซื่อๆรวมแล้วรู้จากมันซื่อๆคุณเห็นอะไรก็คุณเห็นเฉยๆไม่ต้องคิดคุณได้ยินอะไรก็ได้ยินเฉยๆ ไม่ต้องคิดแล้วเรื่องอะไรเข้ามาในใจคุณก็รู้เฉยๆว่ารู้ไม่ต้องคิดยากหรือง่ายฟังดูง่ายแต่ทายากนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์มันจรงยากอย่างนี้แหละแต่ทําได้ใช่ไหยไม่รู้เมื่อไรครับอ่าคุณต้องสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์คือ top of the human life เพราะฉะนั้นมันจะได้บาปง่ายไม่ได้ท่านจึงแบ่งไว้สี่ระดับ ระดับแรกคือก่อนที่ไปถึงพระอรหันต์ก็คืออะไรระดับแรกบรันไดขั้นแรกที่เมนเจอร์เรียกว่าพระโสดาบันใช่ไหมอันที่สองเรียกว่าพระสักกิเลขามีอันที่สามเรียกว่าอันาะขามีอันที่สี่เรียกว่าอันอรหันต์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเขาเนะี่ยคุณต้องผ่านสามด่านนี้ก่อน ไม่ใช่คุณจะเป็นได้ทันทีแต่ในกรณีของทาภังยาท า, ทารุเยเขาเคยบวชมาหลายภพหลายชาติแต่บังเอิญว่าชาติหนึ่งเขาไปเป็นเกิดเป็นลูกเศรษฐีเพราะยะนหน้าเกิดไหมที่จะเป็นลูกเศรษฐีอันตรายมากเลยคุณอย่าปรารถนาทีเดียว <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> คุณเกิดปรารถนาไปเป็นลูกเศรษฐีแล้วเกิดเพราะคุณไม่พบพระไม่พบเจ้าไม่พบศาสนาคุณก็เป็นต้องเป็นเสพเล่เทบอยอย่างที่นั่น <c oughs> เพราะนั่นตุเยะปรารถนาทีเดียวนะีย <c oughs> ถ้าปรารถนาขอให้ฉันเกิดไปพบ พระกรรมฐานในนี้นะ่าปรารถนาหน่อยคุณจะเป็นค น, จนโจนคนรวยไม่สําคัญขอให้พุทธะกรรมฐานที่แท้จริงขอให้พุทธะอริยะปรารถนาได้เราจะไม่เป็นวิชาที่ตินะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังมากในสมัยครั้งพุทธการเพาราะฉะนั้นในเมื่อผู้นิเจ้าแสดงธรรมในสมัยครั้งพุทธการนะทําไมจึงคนบรรลุธรรมเห็นทําได้เร็วเพราะท่านพูดตรงๆอย่างนี้แหละไม่มีอ้อมค้อม แล้วก็ไม่มียกชาลุงนิทานอะไรให้มันยิ่งเ้อะแต่ท่านจะมีการยกประยุกอย่างที่หลวงพ่อยกอ่ะคือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้แต่ทุกวันนี้เรามีนิทานไว้เต็มตู้เลยไว้หลอกสชาวบ้านร้านประจประเทศท่องพัรศามันกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีว่าบรรข้าพันศาทุกบรรพต้องฟังธรรมใช่ไหมคุณเคยไปฟังกันไหมที่วัดคุณเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยเข้าวัดคือเข้าเหมือนกันเพอาะแป ไปถวายทานถวายสังฆทานไปถวายอาหารที่กำลับ้านแต่เคยไหมว่าอุปพ่อหนี้มูลเทพสักการหนึ่งหนูจะนั่งฟังเนี่ยเคยไหมอุปพ่อหนี้มูลเทพเรื่องวิปัสนาให้ฟังหน่อยเคยไหมคุณเคไปวัด น, นั่งยากไหมแค่ไปวัดแล้วคุณนั่งฟังเท็จมันก็ยากอยู่แล้วอย่าไปพูดถึงเรื่องความเป็นพระอริยะเลยมันยากขนาดไหนสิ่งที่คุณสามารถทําได้อ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทําเพราะอะไร คุณเจ็บคุณเจียว เ, เพราะอะไรเพราะหเพราะเราไม่มีศรัทธาตรงตรงไม่ต้องอองหอมใช่ไหมในนั้นแค่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก็เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราอยู่แล้วอย่าว่าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอย่าว่าถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ไหมคุณเริ่มต้นสิในวันนี้คุณมีศรัทธาได้ ไปดูว่าวัดไหนในเชียงใหม่เดี๋ยวคุณไปเซอรวจแล้วมีวัดกรรมฐ า, านกี่วัดแล้วก็คุณไปวัดกรรมฐ า, านทุกวัดแล้วคุณไปสนทนาธรรมทุกวัดที่ไปวัดกรรมฐ า, านแล้วคุณไปหาพระที่พูดคนเข้าใจได้ในสิ่งที่ท่านพูดในภาษากายภาษาใจแล้วก็คุณเข้าไปหาพระองค์นั้นแต่อย่าไปสืบพระนะ ไปเจอวระหนุ่มเข้านะไปเจอพระที่ยังเนีนไม่ค่อยถึงธรรมะเนี่ยพระก็หวั่นไหวนะไปเจอผู้หญิงไปคุยบ่อยๆใช่ไหมเขาก็ อ, กอกคิดไปว่าพระชอบเราเสรยจแล้วเราชอบพระเสร็จแล้วมันก็จะเกิดกรณีอ ย, อย่างนี้ขึ้นอย่างนีวอนอย่างนีก่ออย่างอยันจักเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเรื่องนี้จึงอันตรายแต่ถ้าจะไปอย่าไปคนเดียวต้องไปกับใครไปกับเพื่อนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ่แต่เป็นผู้ชายโอเคไม่มีปัญหา แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ชวนขึ้นไปอย่างน้อยกป้องกันพระไม่ให้มาหลงลักคุณอย่างน้อยก็ป้องกันคุณไม่ได้ไปหลงรักพระในกรณีพระองนั้นพูดเพราะลูกหอเขียนสานะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือยุคสมัยของมิจฉาชิติมันเป็นไปได้ทั้งนั้นดังนั้ น, ะ น, ะนะเรื่องเหล่านี้แค่ง่ายๆอย่างเนี้ยเรายัางยากเลยใช่ไหมไล่ความที่จะไปสู่ความเป็นอริยอรรระอรหัตอรหันน่ะยังไม่พูดถึงเลยแต่วันนี้เราเริ่มแล้ว เราไม่พูดแต่เราเริ่มแล้วเราเริ่มต้นแล้วใช่ไหมโอเคเพราะอรเพราะขบคุณโชคดีมาพบพวกของพ่อเท่านั้นเองนะโชคดีนี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่บ่อยนักหรอกแต่ว่าคุณก็อเอาไปทำจริงๆนะแล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณสับสนเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่ถ้าหากพูดที่หลวงพ่อพูดเช้าวันเนี้ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องนี้โดยเฉพาะเด็เป็นเรื่องไร้าสาระเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสับสนเสียเวลา แล้วไม่ได้อะไรเราก็ไม่อยากจะไปวัดเพราะเวลาไปเจียวพระพูด เ, เลื่อเปอื่อยเฉยแฉะเอานธิทานมาเล่าเลยฟังพูดเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเศรษฐกิจสังคมให้เราฟังเราอยากฟังไหมเรื่องแบบนั้นมันมีเต็มหัวอยู่แล้วเรามาพูดให้เราฟังทําไมเชื่อไหมแค่คุณออกไปนอกกำแพงวัดคุณก็ได้ยินเรื่องเหล่านี้แล้วหนูไม่เจ้าเสียเวลาเข้ามาในกําแพงวัดแต่หนูมาที่นี่หนูอยากมาฟังเรื่องที่อยากฟังในวันเช้าวันเนี้หลวงพ่อจะพูดให้ฟังให้ฉันฟังได้ไหม โอ้ยากนะคุณไปสำรวจดูในเชียงใหม่เนี่ยมันมีวัดกับวัาอันกี่วัดแล้วชวนท่านพูดเรื่องเหล่านี้ดูท่านเจรพูดได้ไหมเคพฟ้อมไหมไม่ร้อมเพ่าะโดยเรื่อแมเไม่สามารถจัดสินได้ว่าท่านรู้หรือไม่รู้ใช่แต่ว่าคุณเคคเคยเลี้ยงหมาไหม ค, คุณรู้ได้เงินหมาคุณหิวข้าวตอนไหนคุณถามมันไหมไม่ถามต่ทำไมคุณรู้ละ่ะรู้เพราะสังเกตใช่ฉันชาติญตาณในการรู้ความจริงของคนทุกคนมันมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเลือกว่าเป็นมนุษย์แม้แต่หมามันยังรู้อยาบไหมที่หลวง่าคุณเนี่ยไม่อยาบเลยอันนี้คือข้อแท้จริงใช่ไหมเกดใช่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคิดว่า เราจะรู้ได้เนี่ยว่าท่านเป็นผ้าจริงหรือผ้าปลอมไม่ยากเลยพ่อหมามันพูดไม่ได้คุณยังรู้จักมันเลยอันนี้ขอ้อเท็จจริงนะหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ประมาทคุณนะใช่ไหมอันนี้คือขอ้อเท็จจริงสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงไว้ในบ้านมันต้องการอะไรใช่ไหมเรารู้เลยหมามันจะกินอะไรแมวมันจะกินอเวลาไหนแล้วมันจะขี้ตรงไหนเมื่อไหร่แล้วคุณหาที่ให้มันพร้อมเลยใช่ไหมแต่เราพูดคำไม่รู้สักคําเดียว แต่เรารู้ภาษากัน น, ะนี่คือเรียกว่าอะไรปรมัตถะภาษ า, ภาโดยที่ไม่ต้องใช้สมมุติเลยในนั้นเวลาคุณไปหาพระคุณก็ต้องใช้ปรามัตถภาษ า, ภาวันนี้คุณจะรู้ตั้งใจให้ดีเพราะเมื่อาวานคุณรู้ลูกนามแล้ววันนี้คุณจะรู้ <c oughs> ดังนั้นเอง <c oughs> การไปขุด <c oughs> การที่เรา ปฏิบัตินั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทําไปโดยไร้สาระแต่โอเคพวกคุณโชคดีวพวกคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ไวมากตอนแรกหลวงพ่อมีความหวังเลยนะว่าจะทําให้พวกคุณมานั่งฟังได้อย่างนี้โอ้คุณเจนหลกนี้คนณอที่ย์กระถางแอบตรงนั้นแอบตัวนี้พอให้มันแล้วๆไปแต่เรื่องผิดคาดมากเหตุการณ์อย่างนั้นเป็นแค่วันสองวันแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ปรากฏว่าพวกคุณทุกคนฟังลวงพ่อรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจด้วยซึ่งเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเอเค หลวงพ่อไม่คิดมาก่อนว่าคนระดับพวกคุณมีสังคมอย่างนี้มีการศึกษาอย่เงี้จะมานั่งฟังพระได้พูดยาวขนาดนี้มีน่าเชื่อเลยใช่ไหมแต่เกมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม ด, ดังนั้นหลวงพ่อจึงมีความสุขมากแต่ครสนี้ เพราะว่าได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างคุณพวกคุณได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรูป้ประสบการณ์อย่างคุณแต่มาเข้าทำเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่มาทําง่ายๆนะขนาดผู้เฒ่าผู้แก่ตั่งสมบูรณญกุศล ม, มาตลอดชีวิตยังไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยเคยแต่พวกเรามีโอกาสมันดีขนาดไหนผู้เฒ่าผู้แก่ทําบุญเข้าวัดมาตลอดชีวิตยังไม่มีโอกาสขนาดนี้เลยนะแต่ถึงมีโอกาสก็ฟังไม่รู้เรื่องเสียแล้วเป็นไง ตาไม่ดีหูไม่ดีสติสมิยะบกพร่องร่างกายไม่พร้อมเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้กินยานั้นกินยานี้ยาคุมไปหมดดูสิเห็นไหมการทำบุญทำทานมาตลอดชีวิตถ้ามันไม่ถูกทางไม่อยากจะเรียกว่าสูญเปล่าแต่ว่ามันได้ผลน้อยเหลือเกิน ฉะนั้นพวกคุณมีโอกาสที่มานั่งฟังวันนี้ไม่ได้หมายว่าคุณพวกคุณสั่งสมสิ่งที่ดีมาในชาตินี้เท่านั้นแต่พวกคุณคืออนาคตของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วปู่ย่าตายายของเราทุกครั้งนึงเมื่อทําบุญท่านตั้งปรารถนาว่าย่งไรนิพานาะปเจยโยโหตุอนาคาเตกาเรเคยได้ยินไหมขอให้การทําบุญกุศลครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้ได้มรรคผลนิพพานในอนาคตอัขนข้างหน้านุนเถืน ใช่ไหมคุณได้ยินคําเหล่านี้ใช่ไหมแล้วท่านข้างหน้าของท่านคือใครล่ะคือพวกเราพ่อแม่เราตายไปก็มาเกิดเป็นเราปู่ย่าตายายเขาตายไปเขาก็มาเกิดเป็นเราเราคืออนาคตของท่านวันนี้ท่านเหล่านั้นมีอนาคตแล้วแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวอย่างพวกคุณเนี่ยในประเทศไทยมันมีกี่แสนกี่ล้านและเรามานั่งที่นี้กี่คนเห็นไหมนี่คือโอกาส นุ่งสาวรดับพวกคุณเป็นล้าะนๆะแต่ที่มันนั่งตรงนี้เพียงหยิบมือเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือโอกาสของคุ ณ, คณพลาดไม่ได้เลยในโอกาสเป็นล้านๆคนแต่คุณมีโอกาสในะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยไงเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นเราอยากประมาทอีกเลยนะนั่นในช่วงนี้จากนี้ไปสิบห้านาทีพวกเราจะออกไปเดินจมกลุแล้วหลังจากเดินจม